บทความเรื่องพระคุณแม่รวมบทคัสรรโดยเศษดินเสียงบรรยายโดยโจโฉ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 จะเรียกว่ามารดาภาษาบาลีจะเรียกว่ามาตาคนจีนจะเรียกว่าหม่าม้าคนแคบจะเรียกว่าหมามีคนฝรั่งเศสจะเรียกว่ามามองคนญี่ปุ่นจะแปลกกว่าน่อยจะเรียกว่าโอกะซังคนเกาหลีจะเรียกว่าอมม่าคนเวียดนามจะเรียกว่าแม้ซึ่งออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาไทยมาก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 กบ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 เคยได้ทดแทนคุณเลยสักครั้งมีแต่ทาให้วุ่นวายไม่เคยส บ, บายใจสักครั้งวันนั้นวั น, น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 พระคุณแม่สุดจะเล่าหรือกล่าวขานพระคุณแม่ล้ำค่าสุดทาทานพระคุณแม่ทรงผานสารดวงใจ สอนเพลงแม่เคยกล่อมลูกนั้นจำได้ดีกลาบตักนี้ที่เดิมแม่เคยกล่อมนอนกราบแทนคุณแทนรักกี่หน สันโดยเศษดินเสียงบรรยายโดยโจโฉติดตามดาวโหลดธรรมะฟรีอีกมากมายได้ที่ www. j จโฉดอ j o z h o n e t ซีดีชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้นห้ามจำหน่ายจัดทำโดยชมรมธรรมทาน ดำเนินการผลิตโดยหลวงพ่อสมชัยอภิปุญโญและขอขอบคุณทุกทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการผลิตซีดีชุดนี้ขออนุโมทนา